คนเราบวช ด, ด้วยหลายสาเหตุนะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนอยากจะบวชก็คือทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นะอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนนะตัดสินใจบวชทำไมถึงเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เพราะเชื่อว่าบวชแล้วเนี่ยนะพ่อแม่ก็จะได้บุญด้วย แล้วมีสำนวนว่าเนี่ยเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์นะพ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกนะขึ้นสวรรค์ น, นี่ก็เป็นสำนวนที่เป็นความเชื่อนะของคนไทยจำนวนมากนะพ่อแม่นี่พอเห็นลูกอายุครบบวชนะก็อยากจะให้ลูกบวชส่วนลูกนะแม้ว่าจะมีภารกิจการงานเยอะ แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งนะก็ตัดสินใจบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่ได้บุญแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าพ่อแม่ได้เกาะช้จีวรพ่อแม่ก็จะขึ้นสวรรค์จริงเนี่ยมันมีเหตุผลนะที่ ลูกบวชแล้วพ่อแม่จะได้บุญแต่ว่าเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเนี่ยพ่อแม่ได้บุญทันทีนะที่ลูกบวชแต่ว่าการที่ลูกบวชเนี่ยนะแล้วพ่อแม่ได้เห็นลูกครองท่าเหลืองแล้วพ่อแม่เนี่ยหรือบางทีรวมถึงปู่ย่าตายายเกิดปิติ เกิดความอิ่มเอิบรู้สึกดีใจนตรงนี้แหละคือบุญนะคือบุญที่เกิดกับพ่อแม่ไม่ใช่ว่าพอลูกผมเพเลิงปุ๊บนี่พ่อแม่ได้บุญแลย้ยบุญนี่มันเกิดจากความอิ่มเอิบความปิติที่เห็นลูกได้บวชทําไมถึงปิติทําไมถึงอิ่มเอิบนะก็เพราะว่าลูกบวชแล้วเนี่ยก็จะได้ มีโอกาสประพฤติตนเป็นคนดีสมัยก่อนนี่บวชแล้วก็ทำให้คนเป็นคนสุขนะรู้ผิดชอบชั่วดีรู้จักคลองครองตนจะไม่หลงไปในทางที่ผิดมันไม่มีอะไรที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขเท่ากับการที่ลูกประพฤติตนเป็นคนดีสามารถคลองตนได้แล้วคนสมัยก่อนเนี่ยก็ เชื่อว่าเนี่ยถ้าได้บวชแล้วเนี่ยรู้ ก, ก็จะรู้จั ก, จกคลองตนแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตที่เจริญงอกงามได้เพราะสมัยก่อนน ะ, ะการบวชเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะทำให้คนได้ฝึกฝนได้บ่มเพาะนิสัยนะแล้วก็ได้เพิ่มพูนปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เนลูกบวชเนลูกคลองผ้าเหลืองพ่อแม่ก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบแต่กรนี้ความสุขความอิ่มเอิบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ได้อย่างต่อนเนื่องเลยนะก็พ่อลูกเนี่ยเมื่อบวชแล้วก็ประพฤติตนเป็นพระที่ดีอยู่ในศีลในธรรมมั่นคงอยู่ในพระธรรมวินยัยไม่งั้นเนี่ย ความสุขหรือความอิ่มเอิบของพ่อแม่มันก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเกิดขึ้นเพียงแค่วันบวชและหลังจากนั้นเนี่ยความสุขหรือว่าบุญของพ่อแม่มันก็จะลดลงโดยเพราะถ้าหากว่าลูกไม่ได้ตั้งใจบวชบวชแค่พอเป็นพิธีแต่ว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เรารู้อะไรเลย ในทางตรงข้ามนะลูกนะตั้งใจบวชประพิปฏิบัติอยู่ในพระวินัยแล้วก็ตั้งมั่นในการทำความเพียรเนี่ยพ่อแม่เห็นแล้วก็เกิดความปรับปลื้มนะบุญอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีความต่อเนื่องนะจนถึงวันสุดท้ายที่ลูกได้คลองผ้าเหลือง สึกออกมาแล้วเนี่ยลูกกับปุะพิตรตนเป็นคนดีห่างกลจากอบายมุกพ่อแม่ก็มีความสุขอันนี้คือได้บุญและเป็นบุญที่ต่ออายุพ่อแม่แต่เดียวกันเนี่ยในอีกด้านหนึ่งนะในส่วนพ่อแม่เนี่ยบุญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะงอก ง, งามได้ ไม่ใช่เพียงเพราะว่าได้เห็นลูกนะบวชคลองผ้าเหลืองแล้วก็ประพฤตินตนเป็นพระที่ดีที่สำคัญไม่น้อยก็คือพ่อแม่ได้มีโอกาสมาใกล้ชิดวัดเห็นลูกบวชก็มาวัดทีแรกก็ตั้งใจจะมาใส่บาตรมาถวายสังฆทาน ตอนหลังก็มาถือศีลถือศีลห้าเป็นอย่างน้อยที่เคยกินเหล้าก็งดลดหรือเลิกที่เคยเล่นการพ น, นันติดการพ น, นันอ่ะก็บรรเทาเบา บ, า, บางลงเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ได้มารักษาศีลแต่ได้มาฟังธรรมด้วยได้มาฟังธรรมจากพระวันพระก็ดีวันธรรมดาก็ดี ก็เกิดสมมาธิฏฐิขึ้นมาหรือยิ่งกว่านั้นคือว่าได้มาบำเพ็ญภาวนาเจริญสติทำสมาธิอย่างนี้เนี่ยบุญที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่มก็งอกงามนะและทำให้พ่อแม่เนี่ยได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าได้ไปสวรรค์ตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่นะไม่ใช่ว่า ขึ้นสวรรค์หลังจากที่ตายไปแล้วเพราะว่าได้เห็นลูกบวชอันนั้นมันยังไม่ใช่นะแล้วก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าได้ขึ้นสวรรค์ขณะที่ยังมีลมหายใจที่ขึ้นสวรรค์เพราะอะไรนะเพราะว่าได้มาใกล้ชิดศาสนาได้มาใกล้ชิดพระธรรมและที่ได้มาใกล้ชิดพระธรรมเนี่ยก็เพราะว่าลูกนะเป็นสื่อ ลูกชวนมาเข้าวัดหรือว่าลูกนะเป็นสื่อให้พ่อแม่ได้มาวัดแต่มาวัดอย่างเดียวนี่มันก็ยังไม่ได้เข้าใกล้ธรรมนะมันต้องมารักษาศีลนะมาฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะไปปฏิบัติเรียกว่าเป็นการเจริญภาวนาอย่างนี้แหละนะพ่อแม่ไดขึ้นสวรรค์เลยที่คนโบราวเนี่ยเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เนี่ย ความหมายจริงๆคือตรงนี้แหละนะได้ใสลูกซึ่งบวชนะเป็นสื่อให้พ่อแม่ได้มาใกล้ชิดพธรรมนะอุบาสกอุบาสิรรกามันก็ความหมายจริงๆคือวาได้ใกล้ชิดนะปุญ ผ, ผู้ใกล้ชิดใกล้ชิดอะไรนะใกล้ชิดธรรมะบางคนก็อาจจะเหินหางเหินห่างธรรมะเหินหางวัดนะแต่ว่าเพราะลูกมาบวช จึงได้มาใกล้ชิดวัดแล้วก็ได้มาใกล้ชิดพระธรรมน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติที่เคยกินเหล้าก็เลิกเด็ดขาดที่เคยเล่นการพ น, นันก็เลิกนะรู้จักเก็บหอมรอมริบ ป, ประพฤติตนเป็นคนดีอันนี้ก็ทำให้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรคนะ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ วแล้วเนี่ยพ่อแม่จะได้บุญเนี่ยมันต้องอาศัยสองฝ่ายนะฝ่ายผู้บวชคือลูกหรือหลานก็ไม่ใช่แค่ครองพระเหลืองแต่ว่าตั้งอยู่ในธรรมะนะปฏิบัติตามพระวินยัยเป็นพระที่ดีเรียบร้อยมีศีลาจรรวัตมีอาจารยที่งดงามนี่ส่วนหนึ่งนะในส่วนผู้เป็นพ่อแม่นะ ไม่ใช่แค่เห็นลูกบวชอย่างเดียวแต่ว่าได้มาใกล้ชิดได้มาใกล้ชิดธรรมะนะอย่างนี้แหละนะมันก็จะทําให้การบวชทําให้พ่อแม่ได้บุญจริงๆแล้วก็ทําให้อ่าพ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์นะขึ้นสวรรค์เพราะได้เกาะชายผ้าเหลืองไม่ได้เกาะนะด้วยมือ แต่ว่าสัมผัสด้วยใจหรือผู้หญิงคือผ้าเหลืองเนี่ยของลูกเนี่ยพาแม่พ่อปู่ย่าตายายให้มาได้รู้จักธรรมะแล้วก็ธรรมะนั่นแหละนะั่นที่จะทําให้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังมีลมหายใจนะไม่ใช่ไปขึ้นสวรรค์หลังจากที่หมดลมไปแล้วอันนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายนะของการเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เนี่ยนะ ฝ่ายผู้เป็นลูกก็ก็ตั้งใจว่าจะประพฤติตนเป็นพระที่ดีนะส่วนพ่อแม่ก็ได้มาวัดได้มาฟังธรรมะนะไม่ใช่เพียงแค่มาใส่บาตรมาถวายสังฆทานม แ, แบบนี้เนี่ยนะบุญของพ่อแม่มันก็จะยั่งยืนแม่ลูกศึกไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังขึ้นสวรรค์อยู่นะเพราะว่าอยู่ในศีลในธรรมหรือว่าได นำธรรมะมาปฏิบัติเจริญสติสมาธิภาวนานะอันนี้เลยว่าบุญเนี่ยมันจะมีความยั่งยืนแม้ลูกศึกไปแล้วแต่ว่าบุญก็ยังเจริญ ง, งอกงามเพราะว่าพ่อแม่ได้นำมาประพฤติปฏิบั ต, บติมาต่อ ย, ยอดโดยการรักษาศีลด้วยการบำเพ็ญภาวนาไม่ใช่แค่ให้ทานอย่างเดียวดังนั้นเรากระจาความหมายนี้เนี่ยการบวชของลูกมันก็จะเกิดประโยชน์นะทั้งกับลูกเองแล้วกักบ ผู้จะเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ด้วย